เราอนุญาตให้รับประเคนเมื่อมีกัปปิยะการกถ้าไม่มีกัปปิยะการกให้หยิบเองได้